สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศียพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพซูตอนที่ห้าร้อยแปดสิบเก้าเรื่องการทรงนำและการชี้ทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าพระเยซูได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้อยู่กับเรานะครับเพราะว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราทางกายภาพแต่พระวิญญาณนั้นทรงอยู่กับเรานะครับทรงอยู่กับเราทางจิตภาพก็คือ อยู่ทางวิญญาณพระวิญญาณสัมผัสกับวิญญาณของเราพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นสิ่งที่เป็นปัญหามากๆของพวกเราก็คือการทรงนำของพระเจ้าและนำบัพติศตของพระเจ้าที่เราจะต้องแสวงหาในการตัดสินใจหลายๆอย่างของเราเราก็พบว่ามันมีความยุ่งยากมีความลําบากในการตัดสินใจนะครับบางคนก็พูดอย่างนี้ครับว่าผมไม่รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ผมทําอะไรกับชีวิตของผม นะครับแต่พี่น้องครับในยากร์ครับบทที่หนึ่งข้อที่ห้าในยากรบทที่หนึ่งข้อที่ห้านั้นให้ความมั่นใจกับเราว่าถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าพี่น้องครับคําภาษากรีกสาหรับสติปัญญาคือโซเฟียโซเฟียนะครับมาจากศัพท์ที่เป็นภาษากรีกนะว่าเป็นโซเฟีย คือความสามารถที่จะเข้าใจและเป็นผลของการกระทําอย่างชางฉลาดพี่น้องครับความสามารถที่จะเข้าใจเพื่อเราจะฉลาดครับและเราจะมีผลของความฉลาดของเราในชีวิตเพราะฉะนั้นเองเราต้องทูลขอสติปัญญาครับเพื่อที่เราจะสามารถตัดสินใจได้เราจะรู้ถึงน้ําธิษทานของพระเจ้าได้นะครับ ทีนี้เรามาดูกันครับว่าใครเป็นคนที่ประทานความสามารถเพื่อที่เราจะเข้าใจน้ำพัดไทยและพราพัญญาของพระเจ้าได้ใครครับที่จะเป็นผู้ที่ประทานความสามารถคําตอบก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สุภาษิตบทที่ยี่สิบข้อห้ากล่าวว่าคำปรึกษาในใจคนเหมือนน้ำลึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะวิทย์มันออกมาได้ คำว่าคำปรึกษานั้นในภาษาอังกฤษในคําแปลฉบับบางเล่มนะครับใช้คําว่าความประสงค์ความประสงค์ในใจของคนเหมือนน้าลึกแต่คนที่มีความเข้าใจเจ้าพิษมันออกมาได้ความประสงค์นี้นะครับช่วยให้เรารู้จักแนวทางและมันซ่อนลึกอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของเราแต่ในขณะที่เราอธิษฐานนะครับเราจะค้นพบคําปรึกษาของพระเจ้า และพระองค์จะเปิดเผยเป้าประสงค์ของเราพี่น้องครับให้เราใช้เวลาในการศึกษาพระชนะและใช้เวลาในการอธิษฐานครับมีบางคนบอกอย่างนี้นครับว่าพระกัมภีร์นั้นเป็นแผนที่พระวิญญาณเป็นผู้นําทางพระกัมภีร์เป็นแผนที่พระวิญญาณเป็นผู้นําทางพี่น้องครับพระวิญญาณนั้นทรงโปรดนําทางชีวิตของเราให้เราออกจากปัญหาได้ ให้เราตอบคาถามในคำถามหลายหลาอย่างที่เราเคยไม่เข้าใจพี่น้องครับให้เรามาดูนะครับว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรประหลาดนะครับสำหรับพระเจ้าและไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิษฐานสม่ำเสมอพึ่งพาพระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะประทานความเข้าใจให้กับเรา โดยการมีสัมพันธภาพกับพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอพี่น้องครับพับงพีได้บอกว่าอยาขัดขวางพระวิญญาณใน <c oughs> ความหมายนี้ก็คือว่าเราจะต้องตระหนักถึงการทรงสถิตยอยู่และพร้อมที่จะอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมที่จะฟังเสียงพระองค์พระวิญญาณนั้น พระองค์ทรงต้องการที่จะมีส่วนร่วมในทุกๆมุมของชีวิตของเราครับพระองค์ต้องการนำทางเราตลอดเวลาและพระองค์มีความประสงค์อย่างนั้นครับพระองค์มีความประสงค์มีความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับเรานะครับเรื่อยไปความสัมพันธ์นี้นะครับไม่มีวันสูญสิ้นและความสัมพันธ์อันนี้เองจะนำมาซึ่งสันติสุข ความเข้มแข็งความชื่นชมยินดีนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าพระกัมพีนั้นเป็นแผนที่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสัมพันธ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถ้าเราไม่มีพระกัมพีพระกัมพีนั้นเป็นแผนที่เป็นเป็นแผนที่ของชีวิตของเราในการเข้าหาพระเจ้าครับ เป็นการเปิดเผยช้ำแดงของพระเจ้าที่จะบอกกับเราว่าพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์มีพระลักษณะอย่างไรพระองค์ต้องประสงค์สิ่งใดและการที่จะเข้าหาพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นต้องทําอย่างไรเราจะต้องมีเวลาอธิษฐานส่วนตัวมากขึ้นนะครับเราจะต้องมีเวลาที่จะอ่านพระเจ้าของพระเจ้าศึกษาพระองค์ศึกษาพระเจ้าของพระองค์มากยิ่งขึ้นครับแบบเมื่อใดก็เหมือนนั้นแหละครับความสัมพันธ์ กับพระวิญญาณของเราก็จะมีมากขึ้นแปลตามเวลาที่เราใช้กับพระองค์ในพ่อเจนะและในความสัมพันธ์นั้นในพระธรรมสุดดีบทที่แปดสิบเก้าข้อที่เจ็ดนะครับได้ลกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นที่เกรงกลัวและน่าเกรงขามกว่าทั้งสิ้นที่อยู่รอบพระองค์เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้ามาพบกับพระสิริของพระเจ้า เราจะต้องเข้ามาหาพระองค์ด้วยความยำเกรงนะครับสิ่งที่ทําลายการสถิตยอยู่ของพระเจ้าที่เร็วที่สุดมีคนพูดอย่างนี้นะครับว่าก็คือการไม่ให้เกียรติพระองค์นะครับการไม่ให้เกียรติพระองค์การไม่ยกย่องพระองค์การไม่ยำเกรงพระองค์พระเยซูสอนให้เราอาธิษฐานปรองเริ่มต้นด้วยว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้ารพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระ น, นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนี่เป็นคำอธิษฐานที่แสดงว่าเวลาที่เราเข้ามาพึ่งพระเจ้านะครับเราต้องเข้ามาอย่างพระพักของพระองค์ด้วยความยำเกรงด้วยความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราจะสแสวงหาหน้าบติไทยของพระเจ้าเข้าถึงความสัมพันธ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราเองจะต้องสํารวจชีวิตของเราเสียก่อนครับว่าชีวิตของเรานั้นเหมาะสมที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือ ย, ยัง เรามีความจำเกรงพระเจ้าหรือยังเรามีการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้าที่หลังไหลบนไม้กิ่งเขนแล้วหรือยังหรือการที่เราจะเข้าเฝพระเจ้าในแต่ละวันนั้นแล้วต้องอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวของเราเสียก่อนเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะสมแดงพระสิริของพระเจ้าเพราะพระองค์รู้ว่า เมื่อพระองค์ทรงได้รับการให้ความเคารพยำเกรงพระสิริของพระองค์ก็จะประทานทัศนคติสติปัญญาความรู้และดิศเดชของพระองค์ให้กับเราผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์พี่น้องครับการที่เราจะขอสิ่งใดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยความปรารถนาของเราหรือ่จะเป็นการขอที่อยู่ในนาำพระทัยของพระเจ้าสิ่งนี้แหละครับ จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นจะแยกแยะตัวเองออกจากความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับก็คือความสัมพันธ์ที่เกิดจากพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์โดยผ่านทา ง, รงพระเจ้าองทรงเป็นแหล่งชีวิตของเราครับให้เราติดสนิทกับพระองค์โดยการอธิษฐานและพึ่งพาพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีเวลาอธิษฐานส่วนตัว มีเวลาที่จะเข้า่าพระเจ้าส่วนตัวมีเวลาที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าส่วนตัวเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้อยู่ในความครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราแต่ละคนอาเมน